<c oughs> ช่งชวงเช้าบางวันจจะประลบเรื่องสุขภาพบางเพื่อให้เราได้ศึกษาทั้งสองส่วนให้หละเอียดส่วนรูปปวัสร์น้ำเราก็ต้องไปด้วยกันกล่าวหลายๆครั้งว่ารูปเปิดยเสมือนรถนะที่เราอาศัยที่เราใช้ขับไปสู่ที่เป้าหมายของเรา ใครขับหรือเราขับก็ตามร่างกายที่ไปเสมือนรถเป็นพาหนะเราจิตใจไปเส ม, มือนคนขับหรือคนอาศัยรถดังนั้นเองเราก็ต้องดูแลทั้งสองส่วนดูแลรถที่เราขับด้วยว่ามันมีความพร้อมแค่ไหนเนี่ยไม่ว่าระบบอะไรก็ตามทั้งหมดทุกส่วนของมันนั่นแหละจะเราไม่มีความรู้ที่จะดูแลเราก็ต้องจ้าง ไปหาช่างไปหาอู่มาเวลามีปัญหานั่นคือเราไปหายาหาหมอมาเราก็ต้องเสียค่ายาค่าหมอมันก็เสียค่าซ่อมรถค่าช่างมาดูรถซึ่งมันไม่จบเราเป็นการแก้ประหาไปเหตุเมื่อมันเป็นเกิดเหตุแล้วนะ่ไปเรื่อยๆแต่ว่าคนขับที่ดีนั้นจะต้องฝึกฝนเรียนรู้นิสัยของรถ เรนรู้จักช่างเรียนรู้จกเพื่อนโรงงานหรือเ ข, าข้าคอร์สเพื่อเรียนช่างดูแลเครื่องรถโดยเฉพาะใ น, นเป็นคนขับที่ดีรถเขาจะไม่มีปัญหาเพราะเขาแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเขาจะรู้อาการของรถว่ารถเสียงอย่างเงี้ยมันขิดขัดอะไรวิ่งอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้มันส่วนไหนมันจะจะมีปัญหาก็เริ่มแก้ เช่น <Che> คนมันดำหรือน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายเกิดมีปัญหาอย่างไรเราจะรู้แล้วก็จะพยายามแก้ไปเรื่อยๆรถก็จะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้อยู่เสมอร่างกายเราก็เหมือนกันถ้าเราดูแลร่างกายเหมือนดูแลรถเนี่ยโดยที่เราฝึกฝนการดูแลร่างกายจากเดี๋ยวนี้ยิ่งมีเยอะจากเว็บไซต์จากอีเมลจาก Facebook จากเพื่อนที่เขาแช์มาทุกเรื่อง เราใส่ใจที่ศึกษาหรือมีตำรับตำราหนังสือนิตยสารออกมาเกี่ยวกับเรื่อ ง, งสุขภาพมากมายแล้วก็อ่านสนใจอ่านอ่านแล้วก็ไปทดลองดูเขาว่าอะไรดีแล้วก็ซื้อต่างๆตลอดถึงเพื่อนของเราที่มีประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพเคยเป็นลูกนี่หายเพราะกินอันนี้เพราะใช้วิธีนี้เราก็สามารถเรียนรู้หลายๆจากหลายๆแหล่ง ถ้าเราสนใจที่จะรักตัวเองแต่คนไม่เข้าใจวิปัสนาอย่างรักตัวเองไม่เป็ น, นรักตัวเองที่ความสุขอยู่ได้กินตามใจปากอยากตามใจทองก็คือว่าก็เรียกว่าไม่รักตัวเองรักกิเลสคนคนนี้ก็จะป่วยเยอะเป็นน่นเป็นนี่แล้วก็ดูแลตัวเองไม่เป็นไปนใช้บริการของหมอของยาพยาบาลทําร้ายตัวเองเพิ่มหมอก็ให้โรคมาเรื่อยๆเพราะเป็นอาชีพของเขาที่จะเพิ่มโรคให้กับเรา เ, เพิ่มยามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาจะไปหาเขาบอกไม่มีโรคคงเป็นไปไม่ได้เขาก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆเหมือนเขาไปหาช่างซ่อ ม, มเขาฟังเสียงเขารู้ลดคุณเป็ น, นั้ น, ปนไปเรื่อยๆแหละลเราก็จะควักต่างซ่อมไปเรื่อยๆอยันนี้คือข้อเท็จจริงที่เป็นดูกประธรรมแต่ถ้าอากเราเป็นผู้ดูแลสุขภาพด้วยตัวเองก็คือมันศึกษามันดูแล เพราะอะไรจึงกล่าวว่าคนไม่มีวิปัสนาอย่างรักตัวเองยังไม่เป็นก็เพราะว่ายังไม่ได้ฝึกฝนเรื่องการดูรูปดูนามที่ถูกต้องก็ <c oughs> ยังอ่านตัวเองไม่ออกอ่านอาการของรูปไม่ออกแต่คนทําวิปัสนาจะอ่านอาการของรูปออกรูปโลกนามโลกรูปธรรมนามธรรมตามหลักวิธีการของพระเทียนทุกคนมีรูปนามรูปนามนี่เป็นไปตามกฎ ของอนิจจังทุกครั้งน้าตาและรูปธรรมนามธรรมแต่ถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้ได้เรียนรู้แล้วก็ใช้มันอย่างเป็นธรรมใช้รูปอย่างเป็นธรรมใช้นามอย่างเป็นธรรมคือดูแลรักษาบำบัดมันตามความรู้ทางวิปัสสนามันก็จะเป็นรูปธรรมนามธรรมรูปจะเป็นธรรมคือเกิดความพอดีพอดี ไม่เจ็บไม่ปุ๋ยง่ายน้ําก็จะเป็นธรรมมันพอดีพอดีไม่คิดไม่ฟุ้งซ่านไม่ปรุงแต่งง่ายรู้จักแก้ไขบําบัดนี่คืรูปธรรมน้ำธรรมแต่ถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติวิปัสสนาเราไม่รู้จักรูปจากน้ําและกายใจตัวเองก็จะมันก็เป็นไปตามกฎของอนิจจังคืออนิจจังทุกขังนาฏจะออกมาเป็นความรู้สึกสบายมากไม่สบายมากไม่สบายน้อยแล้ว่ารูปโรคน้ําโรค ที่จะเป็นรูปธรรมธรมเป็นรูปโลคนามโรกคือรูปเนี่ยมันเป็นโรคอยู่โดยลักษณะธรรมชาติอยู่หนึ่งเป็นโรคโดยกฎของใจ ร, รักมีการหนักเบาเจ็บนู่นเจ็บนี่เราก็บำบัดไปเรื่อยๆโ <c oughs> ดยอานาจสัญชาตยาณที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยก็โดยเราบ บ, บัดทุก น, น, นั่งตรงนี้ทนไม่ได้ก็เปลี่ย น, นเป็นโรคแ ล, ล้วเปลี่ยนไปตรงนั้นสักพักมันก็ปวดอีกก็เปลี่ยนรูปโรคนามโรคมีอยู่ตลอด ในแง่ของนิจังรูปโรกน้ำโรกในแง่ของวิบากหมายความว่าเราแก้ต้นเหตุไม่ถูกมันก็สั่งสมเช่นนั่งนานๆเราก็จะเกิดความเหน็บชาขาแขนคือปลายติดปลายมือชาหรือเราไม่รู้จักเราไม่รู้จักกรูป ทำนามทำดีเราก็จะรักษาใจไม่เป็นใจเรามันก็อยากกินนู่นอยากกินนี่อยากไปนู่นอยากไปนี่อยากเล่นนู่นเล่นี่เราก็ไปตามมันนะเป็นน้ําโลกละเพราะด้วยความอยากอยากแล้วก็เราก็ไม่เลือกสิ่งที่อยากเรียกว่าไม่มีความรู้เข้าเจียวกับเรื่องนามแต่ว่าปฏิบัติอยู่บางทีปฏิบัติอยู่แต่ว่ามันไม่เป็นวิปัสนาไม่ใช่คนทุกคนปฏิบัติแล้วมันจะเป็นวิปัสนาหมดไม่ใช่บางทีไปเป็นสมถะ เพื่อที่จะทําใจให้ตัวเองสงบแต่สมถะเป็นการแก้ปัญหาไปเหตุทําจิตให้สงบแต่กายมันไม่สงบจิตมันสงบไม่ได้แล้วก็ใช้วิธีกดข่มรูปโรคนามโรคที่กดของอนิจจังทุกขัากาบําบัดที่อิเดียบทแต่เราบําบัดอิเดียบทในกฎของนิจจังทุกขังหน้ า, น า, น า, นาตาไม่ดีก็จะกลายเป็นรูปโรคนาโรคที่เป็นวิบา ก, กรรมหรือสังสม ไปชิลนิดๆจะกลายเป็นวิบากขันเจ็บเนินปวดนีเจ็บหลังปวดเอวปวดท้องปวดหัวเป็นอัดเป็นไอเป็นไข้เป็นอาวสั่งสมมาเพราะเนื่องจากเราบําบัดกฎใจรักษไม่ถูกต้องเราไม่ได้ดูว่ากฎใจรักณ์ทํางานในแง่นนของเวทนาทั้งสามอันที่จังทํางานของให้เป็นออกมาเป็นสุขเวทนาทุกขังทํางานออกมาเป็นทุกขเวทนาอันนี้ หน้าตาทํางานไปทุกข์มาเป็นอทุกขกมาสุขเวทนาเมื่อบําบัดเวทนาทั้งสามไม่ถูกต้องก็จะกลายเป็นรูปโรคนามโรคแต่เมื่อบำบัดเวทนาทั้งสามได้ถูกต้องก็จะกลายเป็นรูปธรรมนาธรรมเราก็จะสบายที่กฎของใจรักษแล ะ, ะกฎของวิบากกรรมก็มาจากวิปรินามทุกข์การแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของธาตุต่างๆ เราในส่วนที่เป็นไตรลักษณ์ก็รู้ว่ากฎของอนิจจทุกอนิจจอนิจจตาก็มีอยู่โดยธรรมชาติแต่ว่าวิปริณามาทุกข์เกิดจากกฎของอนิจจังที่เราไม่ได้แก้ไขให้ถูกต้องตามเวทนาทสามออกมาเป็นตัวผลจึงเป็นวิบา ก, กรรมเราไม่ได้สร้างมาจากไหนและสร้างทุกนาทีในหลาที่เราไม่มีสติสร้างวิบากรรมให้แก่ตัวเองทุกนาที แต่ถ้าเราไม่รู้จักพิปิษนาเราก็ไปโทษผีเจ้าเข้าสิงโทษคน น, นนั้นคนนี้โทษโลกนั้นโลกนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่มีพิปิษณาจะป้องกันตัวเองไม่เป็นจะประมาทไม่ได้สังเกตไม่ได้ดูความรู้สึกของตัวเองจะไปตามอยากนแต่ลอดเวลาอันนี้คือหลักที่พระเทียนท่านพูดก็หมายถึงจุดนี้รูปทุกนามทุกเสร็จแล้วก็ไป รูปที่มันเป็นที่เราแก้ไขรูปทุกน้ำทุกไม่เป็นมันก็จะไปเป็นตัวกิเลสละตัวกิเลสกิเลสตัณหาปรานเขาครอบงาจิตหนานแน่นขึ้นเรื่อยๆกิเลสหนานแน่นขึ้นเรื่อยก็สแสดงออกมาในลักษณะของการเพอร้อเรอความประมาทความไม่มีสติในการพูดการทําการคิดก็จะออกมาในรูปของความทุกต่งางๆนะ เราจะเห็นว่าเรื่องร่างกายเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ตอนเช้ามาถึงเน้นให้ทุกคนเนี่ยกําลังกายดื่มน้ําบําบัดโลกโดยตัวเองฝึกบําบัดโลกโดยตัวเองถ้าเราบําบัดโลกโดยเองไม่เป็นเราปฏิบัติธรรมก็เป็นภาระของคนอื่นเป็นที่เป็นภาระของพ่อแม่ลูกหลานญาติพี่น้องเป็นภาระของนักปฏิบัติธรรมด้วยกันภาระที่ไม่เหมือนเพื่อนละที่นในจันทร์อยู่ไม่เหมือนเพื่อนการกินไม่เหมือนเพื่อน ใช้ชีวิตดูดลังไปด้วยหยุกยาลุงลังไปด้วยเครื่องป้องกันตัวเองตัวไม่เบาเนี่ตัวหนักลอะไรนี่น้ําหนักก็ขึ้นโรคภัยก็มาเพราะเราทําตามความอยากของเรากินตามใจอยากอืแล้วก็ลําบากตามใจทอ้องกินตามใจปากอยากตามใจท้องก็ลําบากที่น้องตัวเองอันนี้เป็นหลักที่พุทธิย า, านตรัสไว้ เรามาปฏิบัติธรรมแต่เราไม่เคยเชื่อพุทธเจ้าเท่าไหร่ละ่ะสิ่งไหนดีๆไอามาปฏิบัติได้นะั่นแหละคือคําองพุทธเจ้าที่สอนไว้ไม่ว่าใครจะพูดก็ตามน่ยก็ถือว่าคําสอนพุทธเจ้าก็ทําให้เราดีขึ้นพัฒนาขึ้นฮะแม้แต่เด็กสอนเราก็ถือว่าเด็กนั้นเป็นรู้จักคำสอนของพุทธเจ้าเราก็ต้องฟังนะไม่จําเป็นเราต้องไปฟังครูบาอาจารย์หรือผู้รู้เสมอไปคนไหนที่เขามีประสบการณ์เขาบอกเราเตือนเราในทางที่ดีเราต้องเชือ่อ เพราะนันี้สิ่งที่ดีกับตัวเราเองแต่เราก็ต้องมีศรัทธายอมรับแล้วก็เอามาแก้ไขตัวเองได้เสมอคนนี้ก็จะเรียกว่ามีทั้งรถและขับรถเก่งด้วยรถก็จะปลอดภัยทานจะมีร่างกายสุขสบายอยู่ได้นานแต่บางคนขับรถก็ไม่เก่งดูแลรถก็ไม่เป็นเอาโมเทียรถออกจากอูมาใหม่ๆมาชนมาเกิดวุัติเหตุก็มีแต่บางคนดูแลรถ สิบปียี่สิบปีไม่ได้ซ่อมเลยอาศัยบริการของตัวเองบางคนรถยี่สิบสามสิปีรถก็ยังอยู่ในสภาพที่ใช้แต่บางคนซื้อรถไปตั้งหลายคันยี่สิบสามเปลี่ยนรถเป็นรูกอีกครั้งแล้วเพราะไม่ดูจากดูแลใช้รถก็ต้องเหน็ดเหนื่อยหาเงินหาทองมาแล้วของที่เกี่ยวข้องกับร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยมันมีขี้อย่างในบ้านในเรือนของเรา ผ้าเชื่อมีผ้าเสื้อไม่รู้กี่ชุดของเครื่องใช้ในบ้านเราไม่รู้กี่ชิ้นต้องเป็นสังขารต้องบริหารหมดเราใช้เวลากับสิ่งเหล่านี้ไปเท่าไหร่ในการดูแลรักษาในการแสวงหาซื้อมาบริหารแต่เรื่องวัตถุที่มันเป็นไปตามกฎของนิจังยิ่งมีมากก็ยิ่งทุกข์มากเพราะมันเป็นสังขารพระพุทธเจ้าตรัสว่าสังขาราปรมาทุกขา <c oughs> สิ่งไหนที่มันปรุงแต่งไอ้สิ่งนั้นเป็นเหตุของทุกอย่างยิ่งยวด มาเองนึกถึงเรื่องของการว่าทำไมผู้ปฏิบัติเข้าใจแล้วถึงไม่จึงต้องการอยู่เป็นอิสระเป็นโสตเพราะว่าเข้าใจไาสังขารเป็นทุกข์ตลอดเพราะเห็นสังขารของตัวเองแล้วเนี่ยเ ร, เรียกว่าขันมากเราก็ยังทุกข์กับมันทุกข์เรต้องบริหารจัดการเดี๋ยวมันเจ็บมันป่วยมันไข้มันหนาว แต่เราไม่เคยวิปั ส, สนาไม่รู้จักวิปั ส, สนาเราก็ไปคิดว่าถ้าไปอยู่กับสิ่งอื่นของอื่นจะมาบำบัดทุกเราได้ก็ไปสแสวงหาวัตถุอย่างอื่นเข้ามายิ่งสแสวงหามากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกมากเท่านั้นเพรจะต้องใช้เงินใช้ทองใช้เวลากับมันนี่ไปสแสวงหาลูกหาเมียหาผัวเข้ามาอีกยิ่งหนักเข้าไปอีกอเพราะมันเป็นสังขารล้ลวนเลยเขาเรียกว่าอาวิชชาคือความเคาของเราเองเราทุกเพราะความเคาของเราเอง เรีกยกหน่อยแล้ว่าทุกยังไม่พอเราก็ไปเอาลูกเอาหลานเอาเลนมาเลี้ยงต่ออีกเขาก็ได้รับวิบากจากเราอีกเขาต้องรับกรรมจากเราอีกแทนที่จะคนเจ้าของสังขารเขาจะต้องรับผิดชอบเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ทุกเขาก็จะหลงในสุขตอ่อเพราะเราไปรับภาระเข้ามาเขาก็จะติดในสุข ให้เขาได้รู้ทุกมากขึ้นให้เขาต้องรับรับผิดชอบเดี๋ยวเขาจะแสวงหาทางดับทุกของเขาเองถ้าเราไปรับไปช่วยอะไรเขาเนี่ยเขาก็ไม่เห็นทุกในแท้จริงเขาก็ผืินใช้ชีวิตเพลิดเพลินไปเรื่อยๆเขาก็จะไม่แสวงหาสัจธรรมเพราะมีคนไปช่วยเขาอันนี้เป็นข้อคิดอันหนึ่งเพราะนั้นมารู้เข้าใจเรื่องนี้มึงมาบอกแม่เลยว่าอย่าเอาลูกอลานมาเลี้ยงเด็ขาดเพราะจะเป็นวิบากกรรมเพราะคุณธรรมเราสูงกว่าเราในฐานะเป็นพ่อเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเอาลูกอลานมาเลี้ยง วิบากกรรมเขาจะตกกับลูกกับหลานไปเรื่อยๆเราได้สร้างวิบากกรรมให้เขาถ้าอยู่แม่เอาลูกหลามาเลี้ยงเมื่อไรเอามาจะไม่มาเยี่ยมเลยเามาพูดอย่างนี้แกก็เชื่อแล้วก็ปฏิบัติมาก็ไปดิสระอยู่วัดได้โดยแม้แต่อยู่แต่คนเดียวก็ได้ไ ม, มีใครอยู่วัดเลยก็ อ, อยู่คนเดียววันนั้นเราไปสวดอนวัดก็ อ, อยู่นี่คนเดียวถามญาติอยู่ได้เอาไม่เห็นมีอะไรอยู่มาตั้งนานเยอะ การปฏิบัติธรรมต้องมีผลในแง่ของรูกธรรมด้วยไม่ใช่ปฏิบัติแก้คดนะีหาปลายเหตุแล้ต้นเหตุแล้วไม่ยอมแก้มันก็ปฏิบัติไปตลอดชีวิตไม่เท่าเดิมเลยเพราะจะแก้แต่ปลายเหตุเหมือนน้ามันแตกเนี่ยถ้าเราจะไปปิดตรงที่ท่อมันแตกมันปิดเท่าไหร่มันก็ไม่อยู่เพราะไม่ใช่นั้นปลายเหตุของมันเราก็ต้องไปต้นเหตุไปปิดวาลก่อนนะไปปิดก๊อกก่อนอในแะง่ต้นเหตุของมันต้องไปปิดตรงนั้นวิบากกรรมต่างๆก็เหมือนกันเราไปปิดที่ต้นเหตุ วิบากกรรมที่เกิดขึ้นกับจิตก็ต้นเหตุมาจากกายนั่นแหละเราดูแลกายไม่ดี <c oughs> ก็เกิดเวทนาต่างๆเนะมื่อเกิดเวทนาแล้วเราบาบัดไม่เป็นอีกก็เกิดวิบากกับจิตพอเข้าไปสู่จิตแล้วก็ยังมาเรียนดูวิปัสสนาก็ไปบบวชที่จิตก็ไม่เป็นก็ทุกบวกทุกเข้าไปที่นี้นั้นก็จึงอยากจะให้จะเรียนรู้ามาเองก็ยอมเปลืงเนื้อปลืงตัวที่จะนําเสนอเรื่องนี้เพื่ออะไร เพื่อเห็นว่าทฤษฎีของพริพุธเจ้าที่ศีลปศาสนามันใช้ได้ถองใช้ให้เป็นถ้าใช้มีเป็นก็เป็นทฤษฎีเป็นคำพูดเอาไปอวดเอาไปอ้างเอาไปสอนคนอื่นแต่ตัวเองทำไม่ได้เนะี่นเสียหายพูดธรรมะจ้อยๆแต่ว่าตัวเองทำไม่ได้เช่อย่างเนี้ถือว่าเป็นขโมยคำสอนเขาเป็นบาปเป็นอาบัติเป็นพระดังนั้นเราต้องทำในสิ่งที่เราพูดด้วยคือรับผิดชอบเพราะงั้นนั่นก็ ในการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันถ้าเราทําในสิ่งที่เราพูดไม่ได้เราอายข้อที่จะไปสอนเขาไปนแนะเขาเนี่ยเพราะเรายังทําไม่ได้แต่พอเราทําได้เราก็เริ่มแนะในสิ่งที่เราทำํคำคําสอนพระพุทธเจ้าจะมีผลต่อเมื่อเราทําตามได้เท่นั้นะถ้าอันไหนเราทําตามไม่ได้ก็พยายามอยู่งั้นแหละเพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการกระทําและศาสนาแห่งความพยายามม่ได้ศาสนาแห่งเทพทรงองค์เจ้าเทว่านิยมภรมริขิต ไม่มีอย่างนั้นน่นไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธศาสนาอาศัยความการกระทําของมนุษย์เรียกว่ากรรมและอาศัยความพยายามต่อเนื่องเรียกว่าวิริยะเป็นวิริยาธิกะเป็นสรัทธาทิกะวิริยะทิกะปัญญาธิกะลักษณะของพุทธศาสนาดังนั้นช่วงเช้ามาแล้วก็ดูแลธาตุสีของเราดูแลธาตุดินด้วยการกินอาหารที่ถูกลักษณะ เป็นธรรมชาติไม่มีปรุงมาด้วยลูกเสียงกีรติของมันมากเกินไปทาดน้ำนเช้ามาหรือดื่มน้ําอุ่นสามแก้วห้าแก้วหรือสาม 3, 5, ขวดห้าขวดทัดลมและทัดไฟเราได้ทําท่วงท่าและออกกําลังกายในบริหารทัดลมกับทัดไฟเชา้าขึ้นมาบริหารให้สีดีนน้ํำลมไฟให้ดีแล้วเนี่ยเราก็จะป่วยน้อยหรือไม่ป่วยเลยเราก็จะมีความมีกํํามีกาลังมีสติปัญญา มีสมองมีระบบประสาทที่ปกติแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นได้เยอะแต่เราวิปัสนาแล้วยังไม่ทําสมถะก็ไม่ถูกคําวิปัสนาก็ไม่ถูกก็เป็นภาระของศาสนาอาศัยศาสนาเลี้ยงตัวแล้วก็เป็นวิบากกรรมต่อไปอีกพอเราศาสนาที่เรามาพึ่งเนี่ยเราพึ่งเพื่อจะใช้คําสอนศาสนามาแก้ไขปัญหาตัวเองแต่ส่วนใหญ่ก็อาศัยว่าศาสนาแล้วสร้างปัญหากับตัวเอง สร้างปัญหากระตู้อื่นโดยไม่รู้ตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าคิดมากนะโดยเฉพาะนักบวชเดี๋ยวนี้กลายเป็นภาระของศาสนาศาสนาไม่ได้พึ่งทําลายศาสนาอีกต่างหากนักบวชเราเพราะฉะนั้นเองเราปฏิบัติวิปัสนาเราก็คงจะจริงจักงกับเรื่องนี้มากเราจะเลยตามเลยไม่ได้เพราะเราถือว่าเรามีส่วนรับผิดชอบต่อศาสนาทุกคนนะเพราะเราเป็นผู้รบริษัท พิสูพิสูนีอุบาสกอุบาสิกาที่พระพุทธเจ้าท่านมอบภาระนการดูแลศาสนาให้เราก็ต้องทําให้หมันเป็นนะนั้นเองก็สําหรับช่วงเช้าเนี่ยก็อยากจะให้ตื่นขึ้นมาไม่ต้องคิดอะไรคิดเรื่องดูแลตัวเองก่อนท่านน้ําเราเป็นไงเลยดื่มน้ําอุ่นมากเพรอระยะเพราะน้าอุน่นนี่มันก็จะเข้าไปไหลเวียนในร่างกายของเราได้ทั้งวันเหมือนต้นไม้ลอง ปลูกไว้ที่แห้งๆมันไปไม่รอดนอกจากไม่โตแล้วมันก็จะตายด้วยแต่ถ้ามีน้ํำเราเลี้ยงอยู่เสมอชุ่มอยู่เสมอต้นไมกน้ก็แตกดอกออกผลแตกงอกออกกิ่งตลอดร่างกายของเราเมื่อมีธาตุสีพร้อมสมบูรณ์ร่างกายของเราก็เข้มแข็งดินน้ําลมไฟทาอ อ, ออกมาเป็นภาคปฏิบัติไม่ใช่ว่ารู้ทฤษฎีแต่ทําไม่เป็นธาตุสีก็ไม่ไม่เกิดประโยชน์ นะถ้าดินให้ทานอาหารที่ไม่ปรุงแต่งมากเกินไปเราก็จะไม่เสียเวลาจะทานผลไม้กับผลไม้ที่ไม่ต้องปรุงแต่งกล้วยไม่ต้องเอาไปบดชีไม่ต้องไปเชื่อมกล้วยก็คือทานกล้วย ก, จก็จบกล้วยสุกกล้วยสุกงอมเกินไปก็ไม่ดีน้ำตาลเพิ่มถ้ า, าเราเลื่อมหมเนี่ยน้ำตาลมี หน่งช้อนชาก็ราะหอมากเข้าไปน้ําตาลก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆุลไม้ก็เป็นก่อเป็นโรคเบาหวานได้เพราะว่ามีน้ําตาลเยอะเนี่ยเข้าไปในท้องเรามันกลายเป็นแก๊สกลาเป็นแอลกอฮอล์เข้าไปเปลี่ยนเลือดเปลี่ยนลมของเราผิดปกติอีกยิ่งปรุงแต่งใส่น้ําตาลใส่กะทิลงไปก็เพิ่มน้ําตาลเพิ่มไขมันที่มาของโรคอีกเพราะนั้นทําไมถ้าลถที่มันปรุงแต่งมันจึงอร่อยเพราะว่ามันเป็นของร้อน แล้วน้ำย่อยของเรามันเป็นกรดมันก็เป็นของร้อนร้อนบวกร้อนก็กลายเป็นเผาปลายประสาทลิ้นของเราให้เกิดความเจ็บปวดเราเรียกความเจ็บปวดนั้นว่าอริยารยแต่ความจริงปลายประสาทของเราเจ็บปวดเพราะมันถูกกรดตอกกรดไปเผาไหมเพราะน้ําตาลหวานเป็นธาตุเป็นไฟอเป็นธาตุไฟแล้วน้ําย่อยของเราเป็นกรดมันก็ธาตุไฟเอาไปบวกกันไปเผาปลายประสาทลิ้นของเราเราก็ไปเรียกว่ามันว่าอร่อย ยิ่งเผ็ดยิ่งจัดยิ่งอร่อยเพราะว่ามันเผาแรงมากเพราะยิ่งเผาราอยธรรมชาติมันก็หลั่งน้ําออกมาดับไฟคือหลั่งกดย่อยออกมาที่ปลายลิ้นของเราน้ําลายไหลก็เลยว่า ม, มันหลั่งออกมาเพื่อจะมาดับความร้อนเราก็ไม่รู้กดอันนี้เรก็กินมากเข้าไปอีกยิ่งน้ําย่อยออกมาก็ยิ่งกินมากอันนี้คือเป็นที่มาของโรคภัยใข้เจ็บต่างๆแทนที่เราจะเจริญสติจะเลี้ยวิปัสนาจะเป็นรู้ เรื่องธรรมชาติอันนี้ลดการปรุงแต่งลงลดการกินการอยากลงโรควนโรคภัยไข้เจ็บมันก็ไม่เกิดเพราะว่าเราไม่ตกเป็นธาตุของไฟความอร่อยคือธาตุไฟนะแต่ถ้าว่ามันเป็นโดยธรรมชาติไม่จัดไม่หวานเกินไปไม่มันเกินไปมันกล้วยหมิมผลไม้เนี่ยพอดีๆผลไม้ที่สุกเกินไปหวานเกินไปก็มีน้ําตาลสูงเป็นธาตุไฟเป็นอันกอห่อเรเอาก็ะหาไปจุดไฟดูนะเกิดทันที ก็แปลงมาจากน้ำตาลนั่นเองแปลงมาจากน้ำมันนั่นเองนั้นตัวที่เราศึกษาปฏิบัติเนะี่ยมันมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะแยะไปหมดแต่เราไม่ใส่ใจใส่ใจว่าวันนี้ฉันจะกินอะไรฉันจะอยู่อย่างไรให้มีความสุขมันความสุขไม่ได้เพราะว่าร่างกายจิตใจของเราหมุนเวียนตามกฎของง น, นิีจังทุกครั้ง ต, ตลอดเวลาถ้าเราจัดการกดอันนี้ไม่ถูกปั๊บเนี่ยมันก็นั่นแหละทุกขังก็ต้องมาแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติ เราปฏิบัติไปนานเท่าไหร่ยังป่วยยังเจ็บไปไม่ไม่ดีขึ้นเนี่ยถือว่าปฏิบัติผิดไม่ทําตามก็จะเป็นบาปมีบากรรมเราต้องใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้นยิ่งนานนี้ปฏิบัติดีเราจะเข้มแข็งขึ้นเราจะชะลอความแก่ความเจ็บความตายของเราได้ได้เยอะแต่เวลาที่เราไม่ค่อยเก็บไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยเป็นอะไร ไ, ได้ง่ายเราก็ช่วยคนอื่นได้เยอะนะช่วยคนอื่นคนที่เข่าอ่อนแอกว่าเรา คนที่ยังไม่รู้เรื่องนี้เราก็ไปนแนะให้เขารู้แต่คนรู้แล้วมีศรัทธามีปัญญาเขาก็จะปฏิบัติตามแต่คนไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญามีแต่มาน้าที่ถี่เขาก็ไม่เอาก็ต้องปล่อยเขาเจ็บเขาป่วยไปตามกรรมของเขาเราจะไม่เสียเวลากับคนอย่างนั้นอีกเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าบอกให้ช่วยเหลือตัวเองอัตเหิตุนนนาถูถ้าเราไม่ช่วยเหลือตัวเองใครจะช่วยได้ไม่มีใครช่วยได้พระ อ, องค์เราพวก อ, องคช่วยไม่ได้พระ อ, องค์เป็นผู้ชี้นะที่เราสวนน่ะ คาตารูตทาคตาปฏิปนาปโมขันติโมคันติชาญาโนมาราพันธนาเราตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้บอกนะส่วนการกระทำความเพียรที่จะทำตามเป็นเรื่องของท่านแต่ผู้ใดทำตามอย่างใสสติใช่ปัญญาคนนั้นจะพ้นจากทุกขนะ์นันบอกออกาชาัดจินฉะนั้นเองก็ <c oughs> ตื่นเช้ามาต้อง ดูแลตัวเองธนะาตุสีของเราบริหารให้เป็นเริ่มด้วยธาตุน้ำํำ อ, อื่นมาก็หาน้ํำก่อนน้าอุ่นอยู่ที่ไหนดื่มไปเรื่อยๆแล้วก็ทำธาตุาลมธาตุไฟคือบริหารด้วยการออกกําลังกายในช่วงที่เราออกกาลังกายร่างกายมันจะร้อนแล้วก็มีธาตุลมหายใจสูดเอาออกซิเจนเข้าไปลมก็เป็นลมที่มีคุณภาพเป็นออกซิเจนเข้าไปบริหารปอดบริหารเลือดลมของเรา พอเสร็จจากนั้นเราก็เป็นธาตุดินคือไปทานสิ่งที่รองท้องนิดหนึ่งจะเป็นผักผลไม้อะไรก็ตามไม่ต้องมีรสชาติมากเพราะความร่างกายเนี่ยเขาเขาหิวเนี่ยเราจะเขาไม่ต้องการรสชาติต้องาการกินให้อิ่มเองเราจะเห็นว่าเราหิวทานอะไรก็อร่อยหมดทานข้าวเปล่าก็อร่อยแต่ถ้าเราไม่หิวเราทําตามอยากแม่อาหารอร่อยเราก็ยังไปหาที่อร่อยกว่านั้นะันั้นเรามีปัญหาเพราะความอยาก แต่ปอญความหิวเนี่ยเป็นธรรมแต่ความอยากไม่เป็นธรรมเป็นอาธรรมแต่และส่วนให ญ, ญ, ญ่เขาทำตามความอยากมากกว่าความหิวแยกกันไม่ออกนะดังนั้นนักปฏิบัติต้องเลือกทำตามความหิวมากกว่าความอยากถ้าจะสนองความอยากบ้างก็ให้น้อยลงไปเองเราก็จะมีสุขภาพดีสุขภาพกายดีสุขภาพจิต ด, ดีแล้วก็มีเวลาเหลือที่จะช่วยเหลือดูแลผู้อื่น ผู้ที่เขาไม่รู้อีกเยอะแต่เราเป็นผู้รู้แล้วยังเป็นภาระของผู้อื่นเนี่ยเรียกว่าเราไม่ไม่พัฒนาตัวเองไม่จะเป็นภาระของคนอื่นได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้สติปัญญาให้มากขึ้นในการปฏิบัติวิปัสสนาถ้าปฏิบัติสนะวิปัสสนาแล้วไม่ต่างเก่าไม่ล่วงภพาวะเดิมไม่แจม่มแจ้งมันก็ไม่เป็นนะนะนั้นในช่วงเช้านะเราก็ <c oughs> ไปทาหน้าที่ของเรานะแล้วก็มีอะไรที่ทานาหนารเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดที่อยู่เชื้อพาผ้าทความสะอาดที่อยู่อาศัยด้วยใจที่มีสตินะเช็ดห้องน้ำล้างห้องน้ำให้สะอาดเสมอนะ <c oughs> ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าให้มันลุงหลังอุติเราครอมใช้นะนะก็ลองไปศึกษาดูนะในะช่วงเช้าเราพูดถึงเรื่องสุขภาพเย่างแค่นี้ กลับภาพมกัน